คนไทยล่มจมเพราะไม่รู้จักพอเพียงหลวงพ่อพูดเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539นาแนวคิดสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิบปีผ่านไปสังคมไทยยิ่งจมลึกไปกับกระแสบริโภคนิยมมากขึ้น ธรรมะนี้จึงยังไม่ล้าสมัยที่จะนํามากระตุ้นจิตสํานึกของคนไทยยุคปัจจุบันราษฎรเราเนี่ยจะรู้จักคําว่าประชาธิปไตยสักกี่คน60สล้านคนในเมืองไทยเนี่ยมีคนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยสักกี่คนเข้าใจแต่เผด็จการหมู่เผด็จการหมู่นี่เป็นอย่างไรถ้าไม่ชอบขี้หน้าใคร รวมหัวกันไล่มันออกคนที่จะทำดีกับบ้านกับเมืองเนี่ยถูกขับไล่เขาก็เอาแต่เพื่อนชั่วๆของเขาเอาไว้การปรับปรุงประเทศไทยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขประการแรกต้องปราบอิทธิพลของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 2. ปราบโจรผู้ร้ายให้ราบคาบลองคิดดูแต่เพียงแค่ว่ารถยนต์เป็นคันๆ จนผู้ร้ายมันขับผ่านชายแดนไปขายให้ต่างประเทศได้อย่างไรมาเลเซียขเขมนลาวทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีทั้งตำรวจมีทั้งทหารรักษาชายแดนแต่แล้วมันเล็ดลอดออกไปได้อย่างไรยาเสพติดเฮโรอีนมันทะลักเข้ามาประเทศไทยได้อย่างไรอันนี้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องคิดในเมื่อปราบผู้มีอิทธิพลจนผู้ร้ายราบคาบลง ก็มาปราบราษดรวิธีปราบราษดรเนี่ยใครมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองให้มันรักษากรรมสิทธิ์เอาไว้ใครยังไม่มีมีที่ใดพอแจกแบ่งให้มันได้แจกแบ่งให้มันบังคับให้มันทำอยู่ทำกินน้ำไม่มีหาให้มันผู้เขาสูงสูงอยู่ใกล้แหล่งน้ำไปไถยอดเขาให้มันราพนาศูน สร้างถังเก็บน้ําเอาไว้ใหญ่โตเมื่อหืมมาเวลาฝนทิ้งช่วงปล่อยลงมาให้รัรษฎรทําเกษตรกรรมรัฐบาลเก็บภาษีจากราษฎรมันก็หมุนเวียนเข้ามาหมุนไปเวียนมาอยู่แล้วประเทศชาติมันจะได้เจริญขึ้นทุกวันเนี้ยจริงอยู่เราสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองเราต้องการกระจายทางคมนาคมให้สะดวกไปทุกหนทุกแห่ง ไฟฟ้าเราจะให้มีทุกหมู่บ้านดีเป็นเจตนาดีของรัฐบาลแต่หาได้นึกไม่ว่าประชาชนเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิ่งเหล่านี้เพียงพอหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้เข้าไปปับ๊บไฟฟ้านอกจากจะทำเพื่อแสงสว่างเดี๋ยวนี้บ้านนอกเนี่ยเก็บผักหักฟื้นไม่เป็นแล้วหุงต้มไฟฟ้าแถมมีโทรทัศน์พัดลมมีมอเตอร์ไซค์ มีรถปิกอัพมีรถเก๋งใครไม่มีขายไร่ขายนาไปซื้อนี่คือทางหายนะของประเทศไทยอยู่ที่ตรงนี้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านจะคิดหรือไม่สมัยโบราณราษฎรคนไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานเข็นฝ้ายเป็นทุกคนทอหูกเป็นทุกคนเดี๋ยวเนี้ย แม้แต่เย็บตะเข็บกางเกงแตกมันยังให้แม่มันเย็บให้ตัวมันไม่เคยเย็บสักทีนี่คือวัฒนธรรมชาวตะวันตกมันทลักเข้ามาทําลายพลเมืองแห่งประเทศไทยแล้วประเทศเราเนี่ยเราไม่เคยอบรมกันมาก่อนว่าเราจะเอาอะไรเป็นจุดยืนบ้านเมืองเราไม่มีจุดยืนใครหยิบยื่นอะไรมาให้เอาหมด ดีฝรั่งมันไม่มาตั้งโรงพยาบาลเปลี่ยนอวัยวะให้เป็นอย่างอื่นหลวงพ่ออยากพูดอย่างนี้แหละลองเอาไปคิดเป็นกันบ้านลองดู